โยจ่าพุทธันยามัญจาสังขันยาระนังขาโตจตาริอริยสัจานีสัมปัญญาญปัสติทุกขังโุคาสะโมปาดังโุคาสาจาติกามัง อริยังอทังคิกังมังคังดุโคปสมะคามินังเอตังโคสระนังเขมังเอตังสรณมุโตัมังเอตังสะรณมามะกมมาสาบดุขาปะโมจติพระพุทธมีประภาคเจ้า ได้ตัศรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้าได้บอกว่ามากจริงๆนะสารณะที่สัตว์โลกนับถือมีทั้งภูเขามีทั้งป่าไม้มีทั้งพนาสนมีทั้งรุขเจดีเยอะแยะเต็มไปหมดที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีทั้งสิ่งที่มนุษย์มองเห็นและมองไม่เห็น สรรนะมีมากมายเขตที่มนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายเที่ยววิ่งนับถือสรรนะเต็มไปหมดเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นถูกภัยคุกคามแล้วมีทั้งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่าไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจมหันตภัยทั้งภายในและภายนอก มีทั้งอูฐอกภัยวาตภัยอาคีภัยราชาภัยแล้วก็โจราัยมากมายเบียดเบียนกระแสะใจของสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นก็วิ่งหาสาระเที่ยววิ่งหาสาระที่ไม่ใช่เป็นสาระอันกเกษมพระศาสดาตรัสว่านั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะสัตว์โลกเหล่านั้นไปอาศัยสาระนั้นแล้วไม่สามารถที่จะพ้นจาก มหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข้และมหันตภัยคือความตายเป็นต้นได้ไม่สามารถจะพ้นจากภัยทั้งภายในภายนอกพระศาสดาตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณ ะ, ะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณ ะ, ะอันสูงสุดบุคคลอาศัยสรณ ะ, ะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่สามารถพ้นจากมหันตทุก์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใด ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยว่าเป็นสารณะคําว่าคัดฉามีคือกริยาที่น้อมไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาสอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เป็นการไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาส ด, ด้วยมีศรัทธาเป็นมูลมีปัญญาเป็นปุเรจาริกมีปัญญานําหน้ามีความรู้ความเข้าใจ กำจัดความไม่รู้ในพระรัตนาไตรได้อย่างชัดเจนกำจัดความลังเลสงสัยในพระรัตนาไตรกำจัดความเห็นผิดในพระรัตนาไตรกำจัดการปฏิบัติผิดในพระรัตนาไตรแล้วเป็นการเคา ร, รพพะรัตนาไตรยอย่างจริงจังเคารพทั้งกายวาจาและจิตใจนอบน้อมอย่างจริงใจเอื้อเฟื้อพระรัตนาไตรยอย่างแท้จริงเมื่อสัตว์โลกเล่านั้น เข้าถึงอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมอาศัยพระสงฆ์เป็นสารณะเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทอย่างแท้จริงเดินตามพุทธโอวาทเอาพระธรรมคําสอนกล่าวคือพุทธโอวาทมาประชมไว้ในกระแสชีวิตเดินตามรอยบาทรพระศาสดาอย่างแท้จริงเมื่อเขาศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทอย่างแท้จริงแล้วจากการศึกษาจากการฟังแล้วเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ก็เอาศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมาตั้งไว้ในพระตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละจากการที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี้แหละพัฒนาตนเองฝึกตนเองเพียรพยายามในการสร้างบา ร, รมีมีทานบาบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดฝึกตนเองพยายาม ใครควรเดินตามศึกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาที่สุดจริงๆมาวันนี้พระบรมศาสดาก็ตัดสรุนุตตาสัมมาสัมพุธิยานเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็มีตถาคตโพธิสัทธาเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุสัจจะจริงแล้วเชื่อมั่นว่าพุทธเจ้านั้นสอนความจริงจากเชื่อที่พระตถาคตก็ขยายมาเป็นอีกหนึ่ง ก็คือเชื่อพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเมื่อเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็กลับไปเชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเมื่อไปประชุมในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดจากกระแสชีวิตที่ไม่ได้ฝึกก็กลายเป็นกระแสชีวิตที่ได้รับการฝึกฝนจากกระแสชีวิตที่แปดเปื้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะเมื่อพระเมื่อพระธรรมรัตนะไปประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของท่านผู้ใด ก็ทำกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นให้หมดจากราคาโทสะและก็โมหะกลายเป็นปุถุชนที่ได้รับการฝึกเข้าถึงความเป็นอริยชนจากเชื่อมั่นในตถาคตโพธิสัตยาก็เลยไปเชื่อมั่นพระธรรมที่菩าสดาทรงตรัสรู้และพระธรรมที่พ菩萨สดาทรงแสดงและก็ไปเชื่อมั่นว่าพระธรรมเนรมิตรบุคคลที่เป็นปุถุชนให้เป็นพระอริยชนได้ จากการเชื่อที่พรัตถาคตก็ไปเชื่อมั่นพระธรรมของพรัตถาคตแล้วก็เชื่อสงสาวกที่ปฏิบัติตามธรรมะของพรัตถาคตจากศรัทธาหนึ่งก็ขยายเป็นสาจากตัฒาคตโพธิศรัทธาก็กลายเป็นรัตนะตยัตติศรัทธาก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังขรัตนะจากความเชื่อมั่นว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดานี่แหละ เพียรพยายามอบรมฝึกตนเองที่สุดจริงๆก็เป็นภ้าอริยะได้พ้นจากราคะโทสะโมหะได้พ้นจากกิเลสเครื่องโรเลและเครื่องคล่องเป็นต้นได้แล้วก็น้อมศรัทธานในพระตถาคตนั้นมาเชื่อมั่นศักยภาพตนเองว่าเออเราก็เป็นมนุษย์เราก็สามารถที่จะฝึกตนเองได้เราก็สามารถที่จะสามารถบำเพ็ญทานบา ร, รมีก็ได้บำเพ็ญศีลบา ร, รมีก็ได้ บำเพ็ญเนกข ม, ม้าบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีวิรยิยะคันติสัจจะอธิฐา น, นาเมตตาและเวขาบา ร, รมีก็ได้เราก็สามารถจะทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ได้เราสามารถที่จะทําเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเอื้ออทรอย่างจับจิตจับใจให้เกิดขึ้นในใจเราก็ได้เราสามารถที่จะทํากรุณาคือความสงสารสรรพสัพต ทั้งหลายที่กำลังประสบทุกข์ได้ยากอย่างแท้จริงก็ได้เราสามารถที่จะทำมุทิตาคือความพลอยเยินดีให้กับบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความสุขความเจริญก็ได้เราสามารถที่จะทำให้อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนมีสัตว์ทั้งหลายมีสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมเป็นทรัพสมบัติที่แท้จริง สุจริตกรรมก็จะตามส่งเสริมกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทุจริตกรรมก็จะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจักเอาพระธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสรู้และแสดงนี้แหละมาประชุมไว้ในกระแสชีวิตของเราเราจะมีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้ามีพระเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าเราจะเข้าถึงตัปรายณสารณคม อย่างที่เราพูดว่าพุทธัทงสระนังกฉามิทำมังสระนังกฉามิแล้วก็สังขังสระนังกฉามิเราจะน้อมกิริยาทางกายทางวาจาโดยเฉพาะจะน้อมจิตเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาสโดยไม่มีเงื่อนไขนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวแล้วว่าพระธรถาคตเป็นพระพุทธเจ้า และเราก็เชื่อมั่นว่าพระสถาคตเป็นพระเจ้ามาก็ได้การฝึกด้วยการพัฒนาด้วยการบำเพ็ญอบรมบารมีนี่แหละและเราก็จะเอาศรัทธาคือความเชื่อมั่นนั้นมาเชื่อมั่นศักยภาพตนเองว่าเราจะไม่สวดอิติปิโสพุทธคุณเก้าพระธรรมคุณหกหรือสังฆคุณเก้าแบบเลื่อนลอยเลื่อนเปลื่อนอีกต่อไปแล้วเราจะสวดโดยการจับประเด็นจับแก่นสารสาระของพุทธคุณให้ได้ว่า พระตถาคตนี้แหละจากการบำเพ็ญบารมีจนจากมนุษย์ธรรมดาฝึกตนเองจนเป็นพระเจ้าได้ภาษารีบุตรพระโมคารนะเป็นต้นหรือตลอดถึงอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งเป็นพระรัตที่เป็นภารยาบุคคลท่านก็จากมนุษย์ธรรมดานี่แหละท่านก็ฝึกตนเองจนสามารถเป็นภารยะได้เราก็เป็นมนุษย์และเราก็สามารถที่จะสร้างสติให้เกิดได้ เราสามารถที่จะให้อาหารของศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้เราสามารถที่จะให้อาหารของความเพียรที่ยังไม่มีให้มีความเพียรพยายามในการที่จะรักษากระแสจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลรักษากุศลให้ให้ดําเนินต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เราสามารถที่จะให้อาหารของสติคือการระลึกมั่นต่อคุณความดีรักษาความดีรักษาใจอยู่กับความดีได้เราสามารถที่จะให้อาหารของสมาธิ คือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวออกจากความฟุ้งซ่านให้ได้เราก็มีความสามารถที่จะให้อาหารของปัญญาคือการฟังคําสอนของพรุทธเจ้าอย่างตั้งใจโดยชนิดที่ตั้งใจฟังด้วยความนอบน้อมว่าหนึ่งเราจากไม่ดูหมิ่นผู้พูดผู้แสดงว่าธรรมว่าผู้พูดจักเป็นใครเนี่ยเราจะไม่ไปดูหมิน่นขอให้ผู้พูด นำพระธรรมที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเธอเราจะมองเจาะผู้พูดเข้าไปถึงพระธรรมของพระาศาสดาเพราะเราเคารพพระาศาสดาเพราะเราเป็นสิทธ์ของพระพุทธเจ้าสิทธิ์ของพระธรรมสิทธิ์ของพระสงฆ์ฉะนั้นเราจักไม่ดูหมิ่นผู้พูดประการที่สองเราจักไม่ดูหมิ่นเรื่องที่พูดว่าเรื่องของพระรัตนตรยัยเอเราก็สวดทุกวันพุทธทางสะรานังกชามิ ทำไมเอาเรื่องพระรัตนตรัยมาพูดให้เราฟังฉะนั้นเราจากไม่มุกดูหมิ่นเรื่องที่พูดพอฟังดูแล้วเนี่ยแม้เรื่องพระรัตนตรัยเราก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งฉะนั้นเราจะน้อมจิตตั้งใจในการที่จะฟังอย่างตั้งมัน่นจะไม่พากจิตจากการฟังจะน้อมใจฟังตั้งใจฟังแบบจิตจดจ่อพิจารณ า, าคใหครวนไปตามเนื้อหาของพระธรรมอย่างต่อเนื่องจะตัดความกังวลทุกอย่าง ที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับบุตรภรรยาญาติมิตรเป็นต้นวันนี้เราจะเฝ้าภาษาสดาด้วยการฟังธรรมอย่างแท้จริงนี่คือไม่ดูหมิ่นเรื่องที่พูดประการที่สก็คือไม่ดูหมิ่นตนเองไม่ดูหมิ่นว่าเราไม่มีการศึกษาเราอายุมากเราอายุน้อยเรายังไม่ถึงเวลาเป็นต้นเราเรียนไม่ไหวจิตใจเราว้าวุ่นเราจะไม่ดูหมิ่นตัวเอง แต่เราจะเชื่อมั่นศักยภาพของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถจะฝึกตนเองได้พุทธเจ้ามีกายที่พัฒนาแล้วมีศีลที่พัฒนาแล้วมีจิตที่พัฒนาแล้วมีปัญญาที่พัฒนาแล้วแต่ก่อนพระเจ้าก็ไม่ได้พัฒนาแต่ความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเองนี่แหละพุทธเจ้าจึงพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเข้าถึงสูงสุดจนเต็มรอบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนนี้เราก็จะพัฒนากายพัฒนาศีลจิตแล้วก็บัญญาให้ได้เราจะเริ่มฝึกในการที่จะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาเพื่อจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งในพุท ธ, ธายได้นี่ก็ไม่ดูหมิ่นตัวเองประการสุดท้ายก็คือว่าตั้งโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาอย่างแยกคายในการที่จะฟังเหตุและผล และในขณะเดียวกันเราจะปลุกเร้าคุณธรรมไม่เกิดขึ้นเราจะมีอุปาทการรมนาสิกานจะปลุกเร้าความมีศรัทธาที่นิดหน่อยกระตุ้นให้ศรัทธานั้นมีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะปลุกเร้าความเพียรปลุกเร้าสติแล้วก็ปลุกเร้าสมาธิและปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเราจะทําความคิดที่ยังไม่เป็นไปกับความดีให้เป็นไปกับความดี เพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมาเดี๋ยเราให้อาหารทางกายมาเยอะนะไอ้กล้างกายขาดวิตามินตัวไหนเราวิ่งวุ่นหมดเลยในการที่เราจะหามาใส่ร่างกายแต่ตอนนี้ที่เราไม่ได้ตั้งใจในการที่จะให้อาหารคือด้านจิตใจฉะนั้นมาวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเข้าถึงคาสอนของพระศาสดายอย่างไรเราก็มาน้อมใจฟังหนึ่งไม่ดูหมิ่นผู้พูดไม่สองไม่ดูหมิ่นเรื่องที่พูดสามไม่ดูหมิ่นตนเอง ประการสุดท้ายก็คือจะตั้งโยนิโสมนสิกานคือฉลาดคิดในการที่จะจับประเด็นให้ได้ในขณะที่พูดมาผู้พูดมา พ, พ, พูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาไปใช้แล้วก็สามารถที่จะยังยานปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเพื่อจะเป็นการพัฒนากระบวนการของชีวิตให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางคือการดับวัตถทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาสนา เมื่อฟังคําคสอนพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างแท้จริงย่อมเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นทุกข์เห็นว่ากระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันต้องประสบชาติมหันตภัยคือโกรธมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บมหันตภัยคือความตายมหันตภัยคือความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจ ลักษณะอย่างนี้ก็คือมหันติมหันตภัยคือทุกข์แล้วก็สามารถที่จะสาวไปาหาเหตุของความทุกข์ได้ว่าทั้งหมดเหล่านี้มาจากตัณหาไอตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวทยานอยากทําให้มนุษย์ทั้งหลายมีการกระเสือกกระสนเป็นธาตุของตัณหาวิ่งรับใช้มันอยู่ตลอดเวลานะถ้าตัณหามันบงการกระแสชีวิตถ้ามันอยากจะดูไกลแสนไกลเราก็จะไปดู ถ้ามันอยากจะฟังขึ้นมาไกลแสนไกลเราก็ไปทั้งๆที่มันไม่น่าจะฟังแล้วก็ไปถ้ามันอยากจะดมกลิ่นที่หอมๆไกลแสนไกลเราก็กระเสือกกระสนที่จะไปเพื่อจะไปดมถ้ามันอยากจะกลินอาหารอร่อยล้านที่ไหนไกลแสนไกลเราก็กระเสือกกระสนในการที่จะไปถ้ามันอยากจะสัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายตัณหาก็บงการกระแสชีวิตทาให้จิตของเราติ้นลนกระเสือกกระสนในการที่จะสนองอํานาจของกิเลสตัณหา มันอยากจะรับสภาพสิ่งของสวยๆงามๆใดๆก็แล้วแต่ตันหามันก็บงการชีวิตของเราสรุปแล้วชีวิตของเราเนี่ยถูกตันหาบงการถูกความอยากบงการถือความกำหนัดความยินดีความเพิดเพลินนี่แหละบงการกระแสชีวิตแล้วกระแสชีวิตของเราก็ดิ้นพล่านไปตามอำนาจของตันหาแสดงให้เห็นชัดว่าชีวิตของเราไม่ได้เป็นอิสระเสรีภาพอะไรจากตันหาเลย ตัณหามันอยากจะให้เราโกรธใครมันก็มันก็บงการให้โทสะเกิดขึ้นตัณหามันต้องการให้เราลุ่มหลงมัวเมาอะไรใครตัณหามันก็บอกให้เราอยากในที่สุดจริงๆมันก็สามารถผลิตความหลงความมัวเมาเป็นต้นให้เกิดขึ้นตลอดถึงความเห็นผิดความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านลำคาญใจทั้งหลายเหล่าเนี้มาจากตัณหาแท้ๆคือความทยานอยากแท้ พอพิจารณาอย่างนี้โอ้ไอตัวตันหาตัวความทยานอยากนี้เองมันเป็นเหตุของมหันตทุกข์มันเป็นเหตุของมหั น, น, นหตนภัยและมันเป็นเหตุของความผิดหวังแล้วแล้วเราเล่าอันนี้เขาเรียกว่ารู้จักทุกข์แล้วก็รู้เหตุของทุกข์แล้วก็รู้ว่าถ้าดับตันหาแล้วก็ดับตัวทุกข์เสียได้ก็เป็นสภาพของความดับมรัตทุกข์ซึ่งเป็นพระนิพพาน สิ่งที่สำคัญกว่า น, นั้นก็คือรู้อรยิยมรตมีองค์แปดรู้ว่าสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเดินออกจากวัฏทุก์ได้เพราะความเห็นเรามันไม่ตรงเพราะเราเห็นผิดฉะนั้นมาวันนี้เราจะตั้งใจในการที่จะรับพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะปัญญาเนี่ยสามารถทำให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าถึงความจริงของชีวิตได้ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะยกตัวอย่างเช่นแม้การให้ทานนะสัดโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรามองดูนะว่า หนึ่งบางคนก็ให้ทานด้วยฉันทาทานังให้ทานด้วยความลําเอียงนอะลำเอียงเพราะความรักเราก็ให้ถามว่ากระแสชีวิตของเราเนี่ยเวลาไม่มีปัญญานําหน้ามันเป็นแบบนี้นะมันก็เกิดฉันทาทานังคือให้ด้วยความลาเอียงให้ด้วยความรักเรารักคนนี้มากเราก็ให้คนนี้เราชอบพอคนนี้มากเราก็ให้คนนี้ไอ้คนนี้เรารักน้อยเราก็ให้น้อยเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าให้ด้วยฉันทากติก็เรียกฉันทาทานัง กลุมหนึ่งให้ด้วยโทสากติเราโกรธเราไม่พอใจแต่ไม่แต่เราก็ให้แต่ก็ให้ของที่ไม่ดีให้ของที่หยาบหยาบให้ของที่ไม่น่ารักให้ของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใช่ไหมชีวิตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าชีวิตที่ไม่มีปัญญานําหน้าไม่เป็นสมาธิิเนี่ยประการต่อมาก็คือให้ด้วยโมหากติคือหลงไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเพราะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาขึ้นมาก็ไม่รู้ผิดรู้ถูก ไม่รู้หน้ารู้หลังใครห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังก็ให้มีเท่าไหร่ก็ให้ให้จนหมดเนื้อหมดตัวอะไรก็แล้วแต่นี่เห็นไหมให้ด้วยโมหะคติให้ด้วยความมัวเมาร่มหลงประการต่อมาคือให้ด้วยพยาคติก็คือกลัวไงเพราะไม่มีปัญญาในการที่จะแยกแยะก็กลัวว่าเขาจะว่าเช่นเป็นครูอาจารย์เนี่ยถ้านักเรียนเขาบริจาคหนึ่งร้อยเราเป็นครูอาจารย์จะบริจาคร้อยหนึ่งก็กลัวว่าเขาจะว่าเอา ถ้าอยากกันนั้นเลยแล้วกลัวเนี่ยแล้วก็ให้สักสองร้อยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเออการให้อย่างนี้เพราะมันไม่มีปัญญาแยกแยะเหตุและผลก็เลยให้ด้วยพยาคติให้ด้วยความกลัวกลัวเสียหน้าหรือกลัวคนอื่นเขาจะว่ากลัวจะถูกถอดยศกลัวจะถูกตาหนิกลัวจะถูกนินทาเนี่นะกลัวจะไม่ได้เลื่อนขั้นยศเลยก็แล้วแต่นี่นะกลัวจะไม่ได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอก็เลยต้องให้อีกรมหนึ่ง เห็นไหมพอไม่มีปัญญานําหน้าก็เลยให้แบบเป็นกุลังสถานให้ตามปู่ย่าตายายเออปู่ย่าตายายพี่ป้านะให้มายังไงเคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำตามๆกันมาเห็นไหมพอไม่มีสัมาทิฏฐินําหน้าก็แยกแยะไม่ออกประการต่อมาคือเออให้เพื่ออะไรนะพอไม่มีปัญญานำหน้าบอกเออเขาให้ทานไปสุขติโลกสวรรค์ก็ให้อ่ะ ให้พื่อหวังสุขติโลกสวรรค์ก็ให้ปะเห็นไหมลักษณะงี้พอไม่มีปัญญานําหน้าก็ไม่แยกแยะผิดถูกยังไงประการต่อมาก็คือให้แล้วมันสบายใจเห็นไหมเออพอให้แล้วมันสบายใจพอไปรักษาศีลรู้สึกเออมันสบายใจพอมานั่งฟังอย่างนี้มันสบายใจก็เลยมานั่งฟังไปงี้ยแต่ไม่ได้เอาสาละอะไรพูดนั่งไปฟังเพลินๆให้มันเสพติดไปงั้นเลยนะ เห็นไหมพอไม่มีปัญญาเห็นไหมเจ็ดอย่างเนี้ซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นกันอย่างนี้แหละให้ด้วยชั้นทาคติลำเอียงเพราะรักให้ด้วยโทสาคติลำเอียงเพราะครัวโกรธให้ด้วยโมหาคติลำเอียงเพราะไม่รู้ให้ด้วยพยาคติลำเอียงเพราะโกรธให้โดยตามปู่ตายายใหญ่ตามแบบตามวงตระกูลให้เพื่อหวังสุคติโลกสวรรค์ ให้แล้วมันสบายใจพุทธรจาบอกว่านี้ไงบุคคลที่ไม่ถึงสาระก็ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาอันชอบเมื่อไม่มีปัญญานำหน้าแม้แต่การเดินทา น, นากุศลก็ยังแยกแยะไม่ออกว่าการที่จับเจริญทานกุศลการสละการให้จะมีปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่บุคคลที่เข้าถึงสรารณะฟังคําพระดารัสของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพุทธโอวาสพุทธโอวาสก็บอกว่าการให้ทานที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะได้ปัญญาที่ถูกต้องนั้นต้องทําญาณปัญญาให้เกิดขึ้นว่าการให้ในครั้งนี้เพื่อจะประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเข้าไปสู่ศีลเข้าไปสู่สมาธิเข้าไปสู่ปัญญา ประดับตกแต่งจิตเข้าไปถึงไปสู่เมตตาคือความรักปราถนาดีและเอื้ออทรต้องการประดับตกแต่งจิตเข้าไปสู่กรุณาคือความสงสารต่อสรรพสัตว์อย่างแท้จริงเพื่อประดับตกแต่งจิตเข้าไปสู่มุทิตามีพลอยยินดีกับบุคคลที่เขาได้ดีอย่างแท้จริงเพื่อประดับตกแต่งจิตเข้าไปสู่อุเบกขาคือมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนมีกรรมเป็นของของตน ให้เข้าใจกระแสชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อต้องการพัฒนาไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาไปสู่เมตตากรุณาเมตตาและเวขาเพื่อพัฒนากระแสจิตของตอนเองนั้นน่ะให้ออกจากความลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความกโกรธลำเอียงเพราะความโง่ลำเอียงเพราะความกลัวตลอดถึงการให้ตามประเพณีการให้หวังสุขติโลกสวรรค์การให้เพียงแค่จิตได้สุขสบาย แต่ต้องการพัฒนาจิตของตนเองเข้าสู่ปัญญาที่แท้จริงการให้เพื่อต้องการขัดเกลาต้องการสละความโลภที่มันฝังแน่นในกำม ล, ลสันดาลของสัตว์ทั้งหลายออกจากใจให้ได้ต้องการที่จะกระชากไอตัวมัชชริยะที่ประดุดดังเสื้อเกราะที่มัน ห, อห่อหุ้มกระแสจิตใจของเราเนี้ออกให้ได้เพื่อกําจัดความโลภคือความยินดีเพลิดเพลินในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่เรียกว่าข้าวที่เรียกว่าบ้านที่เรียกว่าทรัพย์ทั้งหลายและต้องการที่จะขจัดความโกรธที่ไม่พอใจกับผู้รับและต้องการขจัดความมัวเมารุ่มหลงคือทายานปัญญาให้เกิดขึ้นสรุปก็คือว่าการให้ทานเพื่อประดับตกแต่งจิตไปสู่ความไม่โลภไปสู่ความไม่โกรธและก็ไปสู่ปัญญาคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ถูกต้องชัดเจนนี่ไง พระเจ้าบอกว่าบุคคลใดถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะอย่างแท้จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นก็จะเห็นปัญหาคือทุกก็จะเห็นเหตุของปัญหาคือตัวตัณหาเนี่ยเหตุของทุกนี่แหละและจะเห็นความดับทุกขและจะเห็นข้อปฏิบัติเข้าสู่ความดับทุกก็คือจะเห็นทางดําเนินของตนเองว่าเออเราจะออกจากการให้ทานที่มันยังไม่ตรงได้อย่างไร เห็นไหยเมื่อมีปัญญาเพราะการเข้าถึงสราระที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนากระแสชีวิตของเราเนี่ยออกจากการเข้าใจในเรื่องของการให้ทานด้วยความลำเอียงเพราะความรักด้วยความโกรธด้วยความหลงด้วยความกลัวการให้ตามประเพณีให้หวังสุขติโลกสวรรค์และให้เพื่อได้รับสบายใจแต่ต้องการที่จะให้เพื่อขัดเกลาตนเองไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญา ไปสู่ความไม่โลภความไม่โกรธและก็ปัญญานี่มันงไงเขาเรียกว่าพอถึงสรณะใช่ไมถึงพุท ธ, ธรัตนะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเราให้ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเออการให้ทานเนี่ยถ้าให้ทานไม่ถูกมันมีความโลภแวดล้อมนะมีความลำเอียงแวดล้อมนะมันมีความลำเอียงด้วยความโกรธแวดล้อมก็มีนะ มันมีการความหลงแวดล้อมก็มีนะแล้วก็มีความกลัวแวดล้อมก็มีแล้วมันมีความยึดติดตามประเพณีก็มีนะแล้วมันแค่หวังแค่สุขติโลกสวรรค์ก็มีนะแล้วมันแค่หวังแค่สบายใจไปวันๆหนึ่งก็มีนะพระเจ้าก็บอกว่านี้ยังไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลฉะนั้นถ้าเธอถึงพุทธรัตนะสิปฏิบัติตามพุทธโอวาคือธรรมรัตนะสิ และเธอจะเข้าถึงความเป็นสังฆรัตานะคือสังฆ ค, คือหมู่อริยชนที่เขาปฏิบัติถูกถ้าเธอปฏิบัติอย่างนี้เ็ดเสร็จเธอก็จะออกจากการให้ทานที่ไม่ได้ประโยชน์เข้าถึงการให้ทานที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลในกระแส ช, ชีวิตของเธอได้นี้ไงเป็นสาระอันกเกษมนี้ไงเป็นสาระอันสูงสุดเพราะถ้าเข้าถึงพุทธสาระเหล่านี้แล้วก็จะสามารถดําเนินกระแส ช, ชีวิตเข้าไปสู่ความดับวัตถุทุกได้จริง มองมองเห็นไหมแล้วว่าการถึงสารณะนี่มันประเสริฐแม้แต่การให้ทานก็จะได้ให้ถูกซึ่งมันเป็นชีวิตจริงของพวกเราเนะการให้เนี่ยเพราะการที่เราไม่เดินตามพุทธโอวาทอย่างแท้จริงนี่แหละการให้ทานของเราก็สเปเระสเปะใช่ไหมล่ะในโลกใบนี้พระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่อุบัติเกิดขึ้นการให้ทานแบบหนึ่งถึงเจ็ดมันก็มีอยู่แล้ว ซึ่งก็มีคนสอนกันอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่สาระอันเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะไปอาศัยหรือเชื่อสาระเหล่านั้นแล้วมันก็จะวนอยู่ในวัฏทุก์นี่แหละเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเดี๋ยวก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ปรชหาดอีกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตอีกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นพรหมอีกมันก็วนอยู่ในวัฏฏานี้แหละแล้วมันก็ออกไม่ได้แล้วมันมันยุ่งนะปัญหากระแสของชีวิตที่มันวนวนว น, วนอยู่เพราะไม่สามารถที่จะฝึกตนเองเนี่ยเข้าถึงความเป็นอริยชนได้มันก็ไม่สามารถที่จะรอดพอดรอดพ้นและปลอดภัยจากสังสารทุกข์ได้นี่ไงพุทธเจ้าถึงบอกว่านี่แรเป็นสาระอันกเกษม นี่แลเป็นสรารณะอันสูงสุดผู้นั้นอาศัยสรารณะนั้นแล้วย่อมจะพ้นจากวัตทุตกเป็นต้นได้พอจะเข้าใจไหมว่าการถึงสรารณะมีประโยชน์แม้แต่ชั้นการให้ทานทีนี้แม้แต่เราจะปฏิบัติต่ตอพ่อแม่ถ้าบุคคลไม่ถึงสรารณะอันเกษมไม่ถึงสรารณะอันสูงสุดนะไม่ปฏิบัติตามพุทธโอวาสนะเราก็ปฏิบัติแบบลำเอียงใช่ไหม บางทีเราก็ลำเอียงเพราะรักบางทีเราก็ลำเอียงเพราะโกรธบางทีเราก็ลำเอียงเพราะไม่รู้บางทีเราก็ลำเอียงเพราะกลัวชาวบ้านก็ชาวช่องเขาจะดินทาบางทีเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็แค่ตามประเพณีบางทีปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็หวังสุขติโลกสวรรค์บางทีปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็หวังแค่สบายใจเป็นวันวันใช่ไหมล่ะแล้วมันอย่างนี้ที่สุดจริงๆ มันก็มีกันอยู่ซึ่งเราก็เห็นอยู่ทุกชาติทุกศาสนาแต่อย่างนี้เป็นการปฏิบัติกับพ่อแม่เพื่อปฏิบัติตกแต่งจิตไหมเพื่อเข้าสู่จารีตอย่างแท้จริงไหมแต่ถ้าตามพุทธโอวาสตามเข้าถึงสาระอย่างแท้จริงแม้เราปฏิบัติกับพ่อแม่ก็จะมีพุทธโอวาสมาคอยกำกับว่า เธอปฏิบัติต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบก็จงเลี้ยงท่านตอบด้วยการประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเข้าไปสู่ความไม่โลภเนะอย่าไปกำนัดยินดีเพลิดเพลินในขณะที่ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่อย่าไปกโกรธอย่าไปกโกรธอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปฟุ้งซ่านกับคุณพ่อคุณแม่อย่าปฏิบัติแบบมัวเมาลุ่มหลงกับคุณพ่อคุณแม่ อย่าไปปฏิบัติด้วยความลำเอียงเพราะกลัวชาวบ้านเขาจะว่ากลัวพี่น้องเขาจะด่าเป็นต้นแต่เห็นไหมอย่าไปปฏิบัติตามประเภทนี้เท่านั้นอย่าปฏิบัติเพียงหวังสุขติโลกสวรรค์อย่าปฏิบัติเพียงแค่โอ้มันสบายใจจึงปฏิบัติบูชาพ่อแม่แต่จงประดับปฏิบัติกับคุณพ่อคุณแม่โดยการเลี้ยงท่านด้วยการประดับต ก, ตกแต่งจิต เพื่อจะออกจากความโลภเพื่อจะออกจากความโกรธเพื่อจะออกจากความมัวเมาล้มหลงเป็นจารีศีลเป็นเจตนาศีลเป็นความจงใจตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อคุณพ่อคุ ณ, คณแม่เพื่อทําจิตของตนเองนั้นน่ะให้สะอาดหมดจดจากโรคโกรธหลงเพื่อต้องการให้ตนเองเข้าถึงเมตตากับแม่ที่แท้จริงกรุณาเมื่อท่านประสบความทุกข์ยินดีที่ท่านสุขภาพแข็งแรงหรือท่านเข้าวัดฟังธรรม วางเฉยเมื่อไม่สามารถที่จะปฏิบัติช่วยเหลือท่านได้เมื่ออกุศลกรรมมาเบียดเบียนกระแสชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ถ้าปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่ประดับตกแต่งจิตไปสู่พรมวิหารธรรมที่ถูกต้องอย่างนี้นี้แหละเขาเรียกว่าเข้าถึงสาระอันกเกษมเข้าถึงสาระอันสูงสุดนี่ไงจะเป็นปจัจจัยในการพ้นจากทุกข์ได้จริงแล้วถามว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเข้าถึงได้อย่างนี้ไหม ถ้าเข้าถึงไม่ได้ก็แปลว่าอะไรการพุทธังสารานางคัตฉามิคำว่าคัดฉามิเราก็ไม่ได้เป็นกิริยาที่น้อมไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทเพื่อการดับสังสารทุกข์และดับวัฏทุกข์อย่างแท้จริงแล้วที่สุดจริงๆมันก็ได้แต่การสวดธรรมดานะเมื่อเราสวดธรรมดาอย่างนี้เราก็ไม่ได้เข้าถึงอย่างแท้จริงแม้แต่เราจะไปตระตเตียมอาหารในวันพรุ่งนี้ที่จะมาใส่บาตรใช่ไม ถ้าถามว่าเออถ้าเราไปคิดที่จะใส่บาตรว่าออวันพรุ่งนี้เราจะทำอาหารมาใส่บาตรถ้าเราไปคิดด้วยลาเอียงเพราะรักเราจะให้ทานถวายอาหารบิดาบาตรในวันพรุ่งนี้เพราะเราลำเอียงเพราะรักก็คือเรามีความรักมีความยึด ต, ติดว่าเออใส่ท่านพวกนี้เท่านั้นนี่เราก็ผิดนะล้วก็ไม่ถูกต้องตามพุทธโอวาทนะก็ยังเป็นแบบโลกโลก ท, ทั่วไปในสังคมโลกก็เป็นกันอยู่ หรือเพราะโกโรธบางทีเราก็ทำไปหงดหงิดไปต้องให้ตื่นแต่เช้าต้องมาใส่ตั้งหกโมงเช้าก็งดหงิดพุ่งซ่านบางทีก็ทำแบบไม่รู้เหตุและผลทำไปอย่างความหลงบางกลมก็ทำเพราะกลัวกลัวจะโดนตำหนิกลัวจะโดนว่าว่าในฐานะที่เป็นครูที่อยู่นะที่นี้ไม่มาใส่บาทเลยก็จะเขาจะว่าเอาเห็นไหม หรือทำตามประเพณีของโรงเรียนที่ทำมามีการใส่บาตรหรือทำเพื่อหวังสุขติโลกสวรรค์หรือทำมันได้สบายใจถ้าอย่างนี้การฟังสารนะในวันนี้ก็ยังไม่ถึงเพราะยังไม่เข้าสู่ไปประดับตกแต่งจิตเพื่อจะออกจากความโลภออกจากความโกรธความไม่สบายใจหรือออกจากความมัวเมาร่มหลงหรือไม่ใช่ไปให้ทานด้วยความ ที่น้อมที่จะบูชาพระรัตนตรัยจริงๆว่าเป็นบุญญาลาชของเราแล้วน้ปกติเนี่ยเออโรงเรียนบรรจงรัฐเนี่ยการที่จะมีกิจกรรมในการที่จะจัดอบรมในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนานๆจะมีสักทีนะสามรอยหกสิบห้าวันไม่ได้มีทุกวันนะแล้วกระแสชีวิตของเราเนี่ยมันต้องวิบแตกดับไปทุกวันทุกวันลมหายใจไม่รู้มันจะขาดวันไหน เออวันนี้เป็นโอกาสดีของเราแล้วหนอเป็นบุญญาลาบแล้วเราไม่ต้องขวนขวายไปถึงวัดแต่ก็มีพระขวนขวายมาหาเราถึงโรงเรียนโอ้โหบุญของเรายิ่งใหญ่แท้ใช่ไหมเออนี่มันเป็นบุญที่เราสั่งสมมาในอดีตเป็นแน่แท้แต่เราควรคงจะตั้งจิตผิดนี่แหละเราจึงหงุดหงิดบ้างไม่พอใจบ้าง ยากกันนั้นเลยเมื่อเราฟังข้อมูลคาสอนฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะตั้งจิตให้ถูกเราจะประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยไปสู่ศีลที่ยังไม่แข็งแรงไปสู่สมาธิคือความตั้งมั่นไปสู่ปัญญาคือความรู้เราจะเริ่มเข้าศึกษาคุณของพระรัตนตรัยอย่างทองแท้เสียทีถ้าเราศึกษาคุณของพระรัตนตรัยอย่างทองแท้เราจะได้เอามาบูรณาการกับชีวิตได้จริง ว่าเออเราจะใช้ชีวิตของเราที่เป็นไปกับการปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ตลอดถึงการใส่บาตรซึ่งเป็นชีวิตจริงของเราเนี่ยสวดมนไหว้พระเนี่ยเราจะได้เข้าถึงสาร ะ, ะศึกษาปฏิบัติตามกิริยาที่น้อมเข้าไปทางกายทางวาจาโดยเฉพาะจิตใจที่น้อมเข้าไปที่จะรับฟังคําสอนรับฟังพุทธโอวาทแล้วก็เอาพุทธโอวาทมาประทับไว้ในจิตเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยแล้วก็จุดเทียน คือพระรัตนตรัยส่องแสงสว่างนำทางในชีวิตของเราและจะไม่ยอมดับเทียนนี้อีกและจะทำให้แสงของพระรัตนตรัยส่องนำทางกระแสะชีวิตแม้ทำกิจทุกอย่างก็ทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจถูกต้องพุทธโอวาททุกประการเลยเพราะทำอย่างนี้ชีวิตมันก็ชื่นใจอยู่ไหมลกถามว่าถ้าเรามองบริบทชีวิตจริงว่าอย่าลืมนะการถึงสาระมันเป็นเรื่องชีวิตประจาวันที่เราต้องใช้ให้ถูก นี่มันเป็นชุมชนสังคมของอริยะที่ท่านทำมาแต่เราจําลองภาพของท่านมามาเปิดเผยแล้วภริยานจะเดินจากปุโรชนเนี่ยเข้าสู่ชุมชนของความเป็นภาริยาท่านทำกันอย่างไรตอนนี้เราอาจจะลองผิดลองถูกเขตผลเพราะว่าเราไม่มีแบบฉบับแต่ตอนนี้เรามีแบบฉบับคําสอนพระเจ้ามาเป็นหลักอยู่แล้วเราก็พยายามขัดเกลาตัวเราเองใหม่ๆมันอาจจะถูกแค่รูปแบบ แต่หนักเข้าสภาพจิตใจเราก็ต้องน้อมขัดเราไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆรืๆ่อยๆที่สุดจริงๆความที่เราตัดความโลเลออกไปสิใช่ไหมล่ะถ้าเรามามัวโลเลว่าเออเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาเราจะไปตั้งใจฟังก็ไม่ได้เรายังห่วงบุตรห่วงหลานทั้งทั้งตัวก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ตัดความกังวลตัดความโลเลไม่ได้ให้กิเลสมันเป็นนายเรามาบงการกระแสชีวิตของเรา เออลูกจะเป็นยังไงเออพ่อจะเป็นยังไงเออแม่จะเป็นยังไงเออบ้านจะเป็นยังไงรถจอจะลักไปหรือเปล่าหรือประตูล็อกดีหรือเปล่าถามว่าชีวิตมันได้อะไรเนี่ยเออมันได้อะไรก็สิ่งทั้งหลายมันเป็นอ น, นิจจ์นะเห็นไหมเล่ะก็เราจงเข้าใจที่ว่าเราออกมาเนี่ยไม่รู้จะเห็นไมออกมาก็ต้องความตัดตวาละนี้มันใช่เวลานั้นไหมมันเป็นเวลาที่เราจะต้องวิตกกังวลหรือไม่มันไม่ใช่ แต่เป็นเวลาในการที่เราจะน้อมนําคําสอนของพระรัตนคุณของพระรัตนตรัยมาเข้าสู่กระแส ช, ชีวิตจริงนะและจะได้ปฏิบัติได้ถูกฉะนั้นตรงนี้พระเจ้าถึงบอกว่าเอตังโขสรนังเขนังที่บอกว่าเอตังโขสรนังเขมังเอตังสรณมุมตามังเอตังสรณมาคะมัง สาบาโดคาปโมจตีพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติในชีวิตได้ถูกต้องตามพุทธโอวาทอย่างทุกระดับนั่นแหละเป็นสาระอันเกษมนั่นแหละเป็นสาระอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอย่างนี้แล้วย่อมจะเป็นท้นทางแก่การพ้นจากวัฏทุกข์ได้ ฉะนั้นในวันนี้ก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายว่าการที่เรามาเข้าถึงสารณะสารณะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กรัตนะนี่เป็นเรื่องใหญ่พุทธรัตนะธรรมรัตนาสังฆรัตนะเนะพราะเป็นรัตนาอันประเสริฐเป็นรัตนาอันปันนี้เป็นรัตนะอันสูงสุด รัตนะเหล่านี้เป็นของที่มีค่ามากถามว่ารัตนะเหล่านี้เป็นของบริโภคเป็นของใช้สอยของบุคคลที่ประเสริฐเท่านั้นบุคคลที่ต่ำต้อยหมดสิทธิบริโภครัตนะเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในอบายเช่นสัตว์นรกเช่นเปรตสัตว์เดราาัจฉานหรืออสุรกาย ที่ไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยไว้ไม่มีสิทธิ์บริโภครัตนะเหล่านี้กลุ่มมิจฉาทิฏฐิกลุ่มเห็นผิดลัทธิผิดผิดลัทธิที่เชื่อผิดผิดทั้งหลายกลุ่มปุรณาัสปามคคิริโคสารอาอชิตาเกสกัมพล ป, ปกุทากัจยานาสัญชยัยเวลาพระบุตรบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถบริโภครัตนอันประเสริฐได้เพราะเขาเป็นคนต่าต้อยเนะ เพราะบุญเขาไม่ถึงแต่พวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้สมาทานความเห็นผิดไว้ในใจจนไม่กล้าที่จะมาเข้าหาสารณะเนะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้บริโภครัตนะอันปณีตรัตนะอันสูงสุดรัตนะอันประเสริฐได้เพียงแต่ว่าเปิดใจของเราออกมาแค่นั้นเองพระเจ้าบอกว่าดูก่อนพรม ขอให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจงเปิดใจแล้วปล่อยศรัทธามาที่เราเห็นไหมอย่าปล่อยศรัทธาไปที่อื่นจงปล่อยศรัทธามาที่พระตถาคตเมื่อเชื่อมั่นว่าพระตถาคตเป็นพุทธเจ้าจริงเชื่อมั่นพระธรรมของพระตถาคตจริงเชื่อมั่นพระธรรมของพระตถาคตเนี่ยเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้บรรลุจริงแล้วเชื่อมั่นว่าพระตถาคตจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพพุทธเจ้าจริง เธอก็เชื่อมั่นพระธรรคตเมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้เดี๋ยวเธอจะเชื่อมั่นศักยภาพตัวเองว่าเธอก็จะมีศักยภาพในการที่จะฝึกตนเองในการที่จะเป็นพุทธะได้ฉะนั้นถ้าเราเปิดใจออกมาแล้วก็จุดเทียนคือพระรัตนตรัยให้ติดแล้วเราจะได้แสงสว่างในการที่จุดนำทางทุกเรื่องเมื่อมีพระรัตนตรัยนะแม้จะ ก, ก้าวไปก็มีพระรัตนตรัยนาไป แม้จะถอยกลับก็มีพระรัตนตรัยนำกลับแม้จะคู้เข้าแม้แต่เหยียดออก อ, อวัยวะที่คูที่เหยียดได้ก็จะมีพระรัตนตรัยในการที่แนะว่าคูอย่างไงเหยียดอย่างไงแม้จะแลตรงแลเหลียวมองขึ้นแล้วมองลงพระรัตนตรัยก็จะคำกับในการที่จะทําให้เราสา ม, มารถที่จะมองตรงมองเหลียวได้โดยไม่ตกจากสถานะแม้จะ กินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำทางแม้จะถ่ายอุจจระปัสสวะก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนาทางแม้จะแม้จะใช้เสื้อผ้าซื้อถือภาชนะก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องเป็นเครื่องนำวิธีคิดแม้จะการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง พระรัตนตรัยก็จะนำวิถีกระแสชีวิตของท่านทั้งหลายให้สามารถปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ถูกต้องมีพระรัตนตรัยนำทางปฏิบัติต่อครูอาจารย์ก็สามารถมีพระรัตนตรัยนำทางปฏิบัติต่อลูกก็มีพระรัตนตรัยนำทางปฏิบัติต่อศิษย์ก็มีพระรัตนตรัยนำทางปฏิบัติต่อเพื่อนก็มีพระรัตนตรัยนำทางปฏิบัติต่อญาติมิตรบุตรภรรยาบ่าวไผ่ทั้งหลายก็มีพระรัตนตรัยนำทาง ปฏิบัติต่อผู้ใต้บงังคับบัญชาหรือลูกน้องก็มีพระรัตนตรัยนำทางแม้ปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีพระรัตนตรัยนำวิธีคิดในการที่จะปฏิบัติได้ทุกอย่างสรุปก็คือว่าพระรัตนตรัยจะเป็นแสงเทียนส่องสว่างในกระแสชีวิตของทุกท่านนะให้สามารถปฏิบัติต่อกระแสชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปเพื่อการขัดเกลาตัวเองที่จะเดินเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เดินสู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มั่นคงพอจะมองเห็นได้หรือยังยากไหมเริ่มอยากจับประเด็นได้ไหรือยังได้ไหรือยังหรือยาก อ, อันนี้เป็นวันแรกนะนี่ถึงเวลาเบรกอีกแล้วใช่ไหม ถึงนี่ยงห้าโมงนี่ยังเนี่ยห้าโมงนี่ยังห้าโมงแล้วนะ่เอองั้นก็เขามีพระกันก่อนเดี๋ยวก็จะสวดมนต์กันต่อใช่ไหมเอออยาให้ไม่ให้เป็นไปตามตารางก็ขอโมวนาพวกเรานะให้จุดแสงเทียนคือพระรันาตนไตแก้วสามประการเอาประชุมไว้ในความคิดประชุมไว้ในกระแสชีวิตนะแล้วก็ประคับประคองรักษารัตนะอันนี้ไว้ซึ่งเป็นรัตนะอันประเสรฐิฐ อย่าปล่อยให้รัตนาอย่าเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สาระมาเป็นที่พึ่งอีกเลยขอใหเอารัตนาเป็นที่พึ่งแล้วพระรัตนาก็จะผลิตสิ่งที่ดีๆให้กับเราและกระแสะชีวิตของเราก็จะพบแสงสว่างแล้วก็สิ่งสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็จะสามารถทำให้เราออกจากปัญหาออกจากความทุกข์ได้จริงขอโมทนาไว้ตอนนี้ก่อนสาธุ